ใจอยู่งั้นก็ตกองก้มคาเรื่องขอกันละถ้าว่ามือ ง, อ, งอืน่นเรื่องอื่นที่คุเบาติปูตติตาคุณฟังเราจะเรื่องของคนเท่านี่นดังที่เรว่าแต่เมื่อวานนี้ เร า, ม, ม, ามีทุนมีร่อนมีทายาทมีทำเป็นทายามีทำเป็นเขาพันแต่ไม่สำมเป็นทายาทไม่สมเป็นเขาพันไม่สำมเป็นเ พ, พีเยพพงผ้าใ <c oughs> ส่สำมในกนีสองอย่างสำมเป็นทายาททำไมสำมหนึ่งต่คือเขามีเสื้อสายตระกูลเราก่อพงพัน ใสใจท่อเกิดมรโดกมาจากบรรพบุรุษปัญหาจึงกรรมอันหนึ่งกรรมอันหนึ่งที่ทำที่ต้องเป็นที่ถึงพระอาศัยคือกรรมดีที่จะต้อง ท, ทําปฏิเสธกกันเห็นเหามีสติหรือว่าให้มีกรรมดีใหาขาดสติหรือว่าให้มีกรรมบอดีแล้ อันนี้สติกรรบันดีกนน็จะจินน้าเข้าไปตูข่วมกอดไอข่วมตูจนถึงมาถึงผลแต่ตอนนี้จะข่วมหลงดูมันจะน้ำเข้าไปตูสนนลกเิดตุวกายแต่ในเดชานเราค่วมหลงรรมันก็วมหลูเข้นไปขวมละชา น, น, นมืนึ่งมือนึ่งอาจะต้องข่วมกรรม น, นั่นคืออะไรแนสติอยู่กับลูกกับหลาน เกี่กับการพลาวาัตผู้คล้องเลื่อนในสติจะไม่ทันได้แปลว่าเขาทำกรรมศาสนาของพระพุทธเจ้าของท่านเน้นดูดีกรรมในการกระทาเขาไม่มนตาแปลว่าเขาไม่ทำดีเขาไม่ความเสียสละแปลว่าเขาทำกรรมดีเขาไม่ความรู้จักปล่อยกับวางดอจะหยุดยจะยิน จะเรียกว่าเขามีกรรมกันดีทำกรรมจนส่มันบริเหตุนะนางอยบานตื่ตื่นทำงานทำสานจะมีเตศเมตตาปรุณานะโมติตาอุเตกขานร้อมเสียสละต้อง ว, ว่างต้อง ม, มีสติร้อมให้อภัยต้อมบดพน้นต้อมละอายท้งเกี่ยวกรรมอะไร้งสั่นะอสงอ้ไร เรเห็นจงตธรรมจิตติดต่อกันไปอย่าทอดแย่าิ้นอย่าปล่อยเห็นศูนย์เกล่าชีวิตของเราอยู่ซื่อๆจะเห็นสิตเมื่อนึงเมื่อนึ ง, นงบกพร่อง่จเวลาบกพร่องใสำหรับเราทำกรมดีบกพร่องใส่ลยอยากติดาอยากทะลุมอยากเลี่ยนลู บางที่เขาบอกนั่งๆคืออยากเดินรงกรมบ้างโดยเฉพาะชีวิตของนักบวชบุพเใจเวล่ามือหนึ่งไม่นั่งทั้งอยากอ่านหนังสือทั้งอยากศึกษาทั้งอยากเดินรงกรมอยากบริหารลานต่างขณะที่เขายกมือสานจงว่างนี่สติร่องเห็นให้มันสัมผัสกับสติดีๆนั่น มันเป็นการบริหารสุภาาส า, าทางด้านจิตวิญญาณเนาะการใหสัมผัสกับสติปรื่อๆมันจะเหว่ามันตื่นมันขึ้นสีดมันลับบานมันขึ้นเหยาวบกพัดดินชีวิตของคนที่มีสติงดมากนันกับบริหารในระวงังก้นพ่อก้นแขนก็ตจะยกแดบเต็มแบบ อี้จะฟังเจิโนกนู่รพอมในสติตัวในตัวท่านบริหารัดสุดตัวจิตใจก็สุดขื้นทุกขาเลาะการตามเนื้อเลาะตนพ่อเลาะเฮ็ดใจเลาห้าใจา น, น, น, นั่นถ้าไห้เกิร์ดตุกขาจริงเขาเดินเป็นมแล้สิดพานเด้อเดินเป็ผนผม มันเดินเนโอมันดีุนหองสาวเดินเตะสาวเดินจนกลมที่วันเดินจนกลมบันอะทยทายากวาแลมีแทะเอาในห้องเขาก็ได้นอนอยู่ในห้องตัวเดียวเเดินับไปลับมากดินๆมันดีสุดๆเลยการบริหารหลังกายมันจะต้องเริ่มเตะโตเลย เัว่าอ น, นี้ถ้าบอบริหารมันแต่เสื่อมมันก็มันเสื่อมมันอ่อนเองการทํางานยาธิว่าสเป็นความปวบคนนี่ยการทํางา น, นาาจึงคว่ำขาสุขจะดีหนึ่งแต่ว่าให้รู้จักกาละเชือ ก, ก, ดด ก, กต่ารการากเดดเพื่อที่จะต้องจะได้วิตามินดี ระว่างสิวหนังกับแสงแดดที่บวกกันเผาถ้าไม่เกิดสุขภาพไม่พุ่มตานท่านสมมาพักควรจะแปลเรื่องการทํ า, ทางา น, นเป็นเรื่องผกเรื่อเรื่องรับจิดถอบก็จะเอามาเป็นเรื่องผุที่หนุ่นี้หลานนี่วัดชุจริงของรับจิดถอบก็ว่าเป็นเรื่องผุเป็นเรื่องที่มีคุณภาพไม่คุณนนรำข ชีวิตของเขาถูกวารบที่ชอบอย้อนทั้งเดือนโมเมนต์มยยนน่มีใารนังจอยลูกจอยล้านไปแล้วอจอยผูงเอ็นไปแล้วจอย พ, พักผู้ติการชนะไปแล้วแก่ถ้างขีไม่ฟังตุกในโลกหลานเห็นเลย ว, ว่าเขาจอยตาดชนาเลยเขาบอดูบ่กล่าวลาวบ่โกรธบ่คุ้นผันทันเนรนทุกคุ้มหลบถอกในระหว่างเขาะเป็นผู้จอย ผ่าซอยศาเขา้าการใส่การจายบบตุบตลูกุลางสอนสนุกสอนนี่ต่อโยกโลู ก, กบานสนุกสอนโลกสอนหลังอยู่ทางเที่มโบมีเวล่าทางเที่ร์จประโยชน์หน่อยหรือว่าได้แต่ประโยชน์ตนประโยชน์เพิ่มจะบอกให้ได พญานาคมนี่ทำมาหลักปฏิโลรูกันลานหลักติดหลัก่บบบอบทำให้เขาเบิงอยูให้เขาเห็นนี่คนทุกข์ให้เขาดูเขาให้เขาฟังพูดจาปรากรั น, นมั่นคิตทำเป็นนิทานนะจ๊ะถ้าเขาอยู่นิทานี่จะอยู่มันนังมันนึนงเขาจ้องตามสันตินี่ทำนี่พายาดนี่กรรมเป็นพยาด โอ้พกนกับพุริเจ้าให้ได้กับทศาตินาให้ได้มีสติเดี๋ยว่าเขามีชาญญาติไ ด, าได้สติีจนตายแต่บนลร้ียวบนหลงบนหลงในอรีกิริยาที่สิ่งซองเต็มไปถ้ามันเกิดจนแจมันเจียมนตายมันผัดผามันมีตกของวนงวลใดเขามีสติแล้วมัมีอาศัยได้มมดขขเป็นมรดกของท้อเป็นทรัยพย์ของท้อแต่เรรียทรัพย์ของท้อ สับมันี่สองส่วนสับไา่ในาสับไพ่หนอดสับไา่ในก็ช่วยเลี้ยงสลระ่ความเมตตาตัวหน้ามือตาเสาิสาเนจสีสมัยทัญญะนี่ความละอายนี่ใจดีนี่บุญนี่ความเสียสละมี่ความยุดิความเย็นสนุกใจเบ อ, จจบอดึดบาอยาดนี่ใจใจสับไา่ในกอดไพ่ในชีวิตทันม่นนีสับภายในก่ก็โอ้ยนีไปวยก ความโผลตัวลุ่มหลอดข้อมตกตัวหลอดลุ่มข้วมปุกตั้งก้นค้อมเสาข้อมหมองทั้การลุกทุกข้านชีวิตกใจของเรายเรมีพูมอาจจะเราหนึ่มเราไมู่การท่านปูกเรม่กลับให้ไม่ไม่ดีใจไม่จะเสียใจไม่จะฟูฟูแดแฝดโย่ทั้งแบอานาเอเป็นคนอาบผับ เป็นคนผูกคนหนาเมื่อมีทีเพลินจักหน่อยภาวะยังไงว่าจะเป็นไปหลดทั้งใจดีทั้งดีใจดีใจเสียใจทั้งโกรธทั้ทงโลภทั้งหลงหลงพอใครว่าข้นโกรธไปที่ข้นผูกเนี่ยผูกสับเป็นข น, น, น, นอักขับข้นผูกใจไปที่ข้นผูกจับในในตาพับอัศวินจึงผูกจึงโกรธจึงโลภจึงหลง จิงม well, so ีตกกังวนแต่เราไม่กลับภาในนันบผัดมันโบตกอย่างนั้นมันแก่ได้มันใจได้จิตสมาจ้อยห้าสมาธิสมาจ้อยห้าปัญญาสมาจ้อยก้มเมตตาก้มกรุณาก้มมุชิตาก้มเตชามาจ้อยก้มอดทนก้มละอายแต่ถ้าหยาดของเราบออึดจินจะเป็นข้าหยาดตติจะเป็นข่าหาด ความในตาตัตหน้าจะเป็นท่ายาดความบดตันลดท่นเป็นท่ายาบดบอกผัดบอเต่าโกมองยาดชั่มช้ำกัญญาณธรรมมากไม้ ก, กายของยุติได้กับบอเดียวบอเดียวด่งมีความสดชื่นีความเบิกบานนีความสะอาดนี่ความสว่างนี่ความสงศ เนีย่ยเด้อพอยบอาศัยตัวนี้ตะเพิ่งอันนี้ ห, หลายๆด้วเจ้าข่มเพิ่งไหนไว้กับลูกทับยล้านกรัพยบสมบัติจิ๊บใจขเขาเขาจะให้น้ำต่ากว่าจึงอรนี่กับนี่สมบัตินี่ลูกนี่ล้านอันนั่นเป็นสมุิปัญญิอันเพิ่งใ ด, งงดจะให้หนอกนให้หน่เพิ่งหมด้อันลูกดีล้านดีให้คิถูกหลายเท่ามันผัดผาจากไป เป็นทูกแล้วถ้าโลกบดีล้านบดีก็เป็นทูกทูกคนละแบบแต่ว่าจะพูดผูกกันเก่าแล้วแต่นันทูกคนละแบบอเป็นโลกดีล้านดีติดหนอดติดเชงเอ้ทำามียทำฮ้อน น, อน่ากลัวหรืกผูก่านผูกผูกทานถ้าโลกมันบดีล้านดีก็ทุกข์ไปแบบนั้นนอ่นคนละแบบแต่เ <c> ป <oughs> ็นอนากต ให้เข้าใจคิดใจให้จะ้าเอาวัตถุมากาหนดต้องได้อันนั้นจึงจะมีสุกข์นี่จึงจะมีทุกข์ทำบรไเวกันสัตว์จึงมีทุกปราจานาอยก้อนปาจจานาที่มันบวชบบังที่ปรจจานาได้ยินจึงนั้นจงบวชผาจากเล่าจึงนั่นจงเป็นของเล่าเราจะต้องเป็นกันสั่วอันนี it, so too, ้เป็นความปัจจานาที่เต็นไจเราได้เต็จกินไต ใจค่อนข้องียนุ ง, งดันไปเอาหนุ่งดันไปขอใหญกให้คุณ น, นั้นภาษาจารเข้าไปขอให้เราต้องเป็นหนุงดันขอให้ได้อันนั้นขอต้อตงภาษจากะจ่งนั้นนั่นมันมันมันบนอกน่ต้องเข้าใจก่อนต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างเต่นตามเพิมเตินจริงทุกสิ่งทุกอย่างอ่านต้อ่นอนในภาษาไทหลัก เป็นกัจจะใจลักเป็นกัจจะข้อมบดเพียงควอมบวมตัวตนความเป็นใจบวไดดขวามไหลความเปลี่ยนแแปล้วมีไตรยจักนใดข้อมก็มีตัวตนข้อมหลุดข้อมผ่านใดมนสษย์ไตรยจักรมองนะมันเห็นมันเห็นแจ่มเห็นแจ่มให้รูจริงตามข้อมเป็นจริงของธรรมชาติของกฎของธรรมชาตินาทีธรรมชาติ อืมตอต้องเบิ้งเร่งเป็นไรบานทีอิจะรักษากิตใจให้เขาสิดีบบวนี้ิตกกองล้นบันสาวมองมองแล้วอยู่ทับลูกทับร้านทับบ้านทับท้องวัน น, นี้อไร ท, ที่ต้างให้เขาอิตกกังล้นอะไเก็บเมื่อยเข้าก็มามตันงถรำมากปฏิบัติมากตัวอาต้น เสริมส่างไม่เสริมสวยก็ได้ตกแต่ง <c oughs> ตกแต่งพัฒนาชีวิตของห้องมันจะต้องแต่วันท่านกับโลกกับจินเวกหลอมปรับตัวปรับใจมัเก็นสมัยสมัยนี้มันเพราะว่ามันระสมบัง เรื่องลูกกับพ่อริโยน้าลูกจริงแวดลอ้อมตรมยเนะี่ยพมีลูกไม่หลานนี่ยตีสี่อํา น, นวยให้เห้าอยู่ไก่ลูกใต่หลานมันเป็นไปนะแล้วเราก็ทามาหากลิ่นไก่พอไก่แม่จริงแวดล้อมกต่บังคับไปเห็นเขาไม่ลูกเนะี่ยเรียนชันสัมพมกับพ่อริโยน้าพอนแม่เนี่ยเรีย น, นมัธนะ ย, ยมแล้วก็ไปแล้วบนะ <c oughs> อ, อนเรีนเมืองแล้ก็ไปอันดับหนออก มีปัญหาหลายโลกเลี ừ, ้ยมจะเรม่องไปชาวบ้านที่ในเมืองแบเมืเ็สจะคอจะเมื่อแต่มันตนตัวลงตัวเจือหายเจี๊ยบตเจี๊ยพ้นพ้นไปตอแกก็ยิงวิ่ตกตังว้นเดีห้วงก็ได้ดีก็ดีหลอดใส่ผู้ได้ดีก็เสียแบยิงเลี้ยท่านดยิ่งไกลไกบ้านในเมืองหลวงบ้านใน สัานทีต่างๆไดลยยิ่งเขาไมีงั้นนี่นาจจะจะยิ่งไกลกว่านี้ไนบอกค kind of ือเข้าตะกี้เลยปกบเงี้ยอ้อมทางอ้อมแอวในมอคค์ทายากาใส่ย้วนหันลกดสาวยื้อนหันเป็นพวงเป็นลุมหายยุหายกิ่นตัวเนึงไปแล้วกันแล้มมุ่มเี่ยเต็นกันไปเลยพอจชงเลยรลอมันเตียนไปไมาต้องเกงเลย ต่องเก่งต่องผุิตผลต่องพัฒนาที่วิตกใจขเขาเอาแต่ท่านสมัยพระธรรมคัมภีรเนี่ยเป็นจงที่ท่านสมัยนัม่มร่วมกันโบลาณบราณสมัยโลกเขาก็งงจงนรมกันแหลกนั่นแสดงว่าไปใช้บรแต่ต่อ่าศึกษาเรียงสาสตรนาศึกษาประเทศที่เขาพัฒนาแล้วในในี้เขาก็ไปโบราณ ทิศข้างเนี่ยในวันที่วันที่เก่า ว, วาอหลวงพอเลยอำนาจที่นี่คนยุคุณถึนํามาหาหลวงพองอถึงเขาก็มีถูกเด่นเป็นประเทศที่มหัศจนายทางด้านเทศรษฐกิจที่ท้องมีถูกที่นี่พระสงฆ์มากที่นี่ฆราวาดมากอ่าวัดโมกแล้วก็มีถูก บอเวนว่าจะกำลดงจะตัดสินว่าเป็นเื่องยุดไหมาไปทางของกลส่เร็จเดชที่บ อ, อเวนเป็นไปบ่ได้โออเดียมันมันหลายอย่างวัตถุสิ่งของ เทคโนโลยีสัางกันมาส่่งคอมพิวเตอร์ส่างยังแต่ค้าน อ, อกก็ยังไม่ถูกบุญประเทศที่พัฒนาแล้วก็พาตัวตายกันมามันตามมาท่านแข่งขันกันส่างรถก็สั่งรถทั้งสั่งสัตราอาวุธที่แเทศอันนั้นกิเลสของคนเนี่ยว่ามันยู่บนื่นเลย การปราเลบางคนกราดโดยอาวุธรถถังรถก่อปรา ด, ด้ยาดยการธระทำจนเขามีการกระทำแล้วะัยุต์กัน ท, น, น, น, ท น, นทั้นั้นมนมีวิธีอื่นแอนติมีรระเบิดอยางเดี๋ยวนี้นนนนประเทศสัมพันธมิตรกาลังไปตรวจวัตถุระเบิดวัตถุอาวุธสงครามในอินหลกหอิหลักษณ์ย น, นี้อาวุธ สงครามหลายแรงทุกข์เขากำลังปวดคุ้มพราะะนั้นเนี่ยม้นก่เขถูกแต่ถ้าว่าพัฒนาจิตติดแต่เขาตกคนามาศึกษาแั่การทำให้มันเห็นแกงจนเขาไม่คิดมีใช่ไมีจิดไม่ใช่ใ จ, จตัวเองไม่ จ, จิตไม่ใช่ใจผู้อื่นเงินเขาสิตเด็กหาเขาต้องการเงินถ้ำมันก็นทํามบมดูก สม at at e ุมรค้นตัวหนึ่งมันโกรธน้อยเลยน้อยจิตติสรู้เห็เขาโกรธนั่นบ้ไดจิตติศาเขาเขาก็ะต่ายดีเต้ก้โกรธบำมันหน่าตาคนน่ะบำเรนตูน่บเรนค้คนน่ก้มโกรธก้มบอดีเป็นกิเลสขึ้นมายูน้ำเขาเขาคนจิตสร้งกิเลสเขาคนจิตโกรธกิเลสเพที่ิากิเลสจบเรขาโดยอาวุธขาด้วยหินด้วยช่ ขาด้วยสติสมสัชนิยต์แต่วันนี้ไปขากิเลตขงงองคนเลยอาจารย์เสด็จมาเจระญเลยเขีานมาบทองเขาไปปรากิเลตองคุริมานเละเป็นโจรไลายเลยเป็นเมื่อไรเอาตืนถึงองคุลิมานเป็นเอาสัจจะทำไปขี่ไปแกนฑหไปฟังองคุลิมานกว่างปืนว่างอาบุตรกว้างดาบเีป็นต้นดีก็มาบวชในศาสนา ได้เป็นพราห์จนได้เห็นโทษเห็นไพรของความหลงอัาปรมัตโตปรมัตเตสุสัจเตสุพ่องาคารโอปะระสังวสี ส, สัชโยยาติสุเมทะโสมทุมท่านออกได้ตัวใดประมาทแล้วในการป้อนไพรลังบกประ ม, ม า, าทโมเนสเราติดกัน การคิดขององค์ธีมันผู้ใดประมาทแล้วในการก่อนท้ายหลังบอประมาเหมือนถ้าจันทน์จากเมฆงหมนถ้าทิพนจากเมฆก็วางตวัวยิตใจขเขาให้กันนะ่ถ้าใดทีมั น, น ถ, ถูกกิเลสชอบงําเต่าโตกิโตกจงวน่วนขมโกรธข่มโลกขมหลงอันนั้นเรียกว่าเมฆที่กิเลสมันบังจิตใจเขา เวลาได้ตแต่ห้องพ้นจากเหนกนี่สติสมสญญาธิยั่งลู่จักตามความเป็นจริงคิดใจให้สดชื่นใจดีสุ่ทสาารสออาดสว่างสงศ์ทุกที่ตัง้งหันนั้นเราจึงพากันทำกรรมอันนี้ให้ได้เ ป, รราาเป็นกรรมที่เป็นท่าอาใจเป็นกรรมที่เป็นท่าญาติของห้อง หยาดในทางถ้ำตันระญะในถ้ำมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอัดใส่แห้งใจแห้งหลายบกพื้นจับภนอกกลับภหยนอกแห้งใจแห้งเบ็ดโบราณพันลารักยาวให้บันรักตันให้ตอมัก็เพื่อนี่แหละติดลับภายในครับแต่มีสติในโดยสรุปกับหลานติดใจติดถ้ำติดปูดติดคิดอันนี้สติให้รู้ทุกรละดลับใจ ต้องอันใดให้นิสติเห็นอันใดใจนิสติอันนั่งใส่สติสติก็ซอยสติจะห้ามสติก็จะเลิ่นอันนั่งว่ใส่สติสติก็เบิร์ตจะเสียงหายจากห้องไปเลยอันนี้กวางเมตตานี่กว่างกลัวหน้าหือจะกว้างจะปล่อยหรือจะหยุดจะเย็นทุดทายทีเท่าคือว่างจุดปล่อยได้ต้องว่างความปล่อยเป็นทางจุดหา เปนหาตอนลูกซ้อนหลาน้าเทียนมันกระไดงานเทียงมันะบอดไดแมันไดหรือตะว่างปลอยแต่มันบอดไดตะว่างปลอยบนลุดสุดชุดชีวิตของห้าก็อยู่ๆจะไปโยโย่บเอ่าวับเจนอันดาอันเจนมันตะบก็จชินมันโผลมัน่านอันตะว่างตปลอยนี่ยุดุดุดุดจุดหมายไปทังสูงชุดของชีวิต สูงสุดของจัดจุรัมคือวันศุกร์จังท่านผู้คนเชือนเลยว่าชีวิตของห้องวู้คนที่นี่คุณธรรมสามอย่างหนึ่งย่าให้เจ้าของในผูกสองจอยตัวเองในคนผูกสาม ทีาทำจากของอนไรก็ดีคือต้อนว่างต้อนปอนตอนได้ก็ได้ไปต้อนไรก็ต้อนได้ก็ว่างตอนก็วใดก็ว่างการที่เขาต้อนหลูกกันหลูกต้อนบ่อฟังพ่อรวมเป็นยังไงถูกป้องพอเธอเห็นยาถูกมันว่างใะ่โอ้เฮ้ยตอนอปแล้วต้นบ่ไดดเลยว่างจต่อันนี้เป็นเป็นกุ้ดเป็นตุดหมายสายทางของหอม เป็นเอกลักษณ์ตัวเรต้าในแต่วเ่ยเป็นตอนพระวันวานมันจะบ่เป็นผุมันจะอ่ลงโผล่ตัวผดข้อนึ่สอบสอบจิดในเดิมที่ลงโผลเอาอันเดมาลงโผลเอาหลูกเอาหลานเอาวัตถุสิ่งของเดวิตกที่ิโตกหลับหลานเดตกกระตับจมัดแล้วไปคิดตัางกันเห็นเวลานอนนี้ เลานอนนหายตัวแค่ตั้าโอกาสหรือเวลาใดก็ดีหายตัวบ่มือแล้วเฮามจะล่หายใจค้อแก้แก้ลูกว่ม่หลานบ่ามนี่ยบ่มนเป็นข้นน้บอว่ามันเป็นข้นสนบ่มันเป็นตัวเป็นเนี้อบว่มนเป็นข้นเนื้อ้ใต้บ่ามันเป็นข้นนมค้นเต่านแก่บ่มีอย่งแล้วแต่หายตัวเพื่อเฮ็ดวะอสัรือว่านี้จทะลุทลังดื ททเทวันใดตอนใดเจอไายตัว น, ะนั้นเราไม่ยังเหยียบเบ็ดเวนี่จะล่มหายใจแค่แค่แค่เ น, นี่อมันอยู่ของพระฤาษเจ้าจังวพระพุทธเจ้ามันเอาก็ไรยิ่มเจออ่าหลูกท่านอหลืท่านบนเป็นมันเป็นลบดจุนใ้ที่สุดจันญ่าเวทะนิธิเทงโล คือบมีเี้ยมีสัน ญ, ญาดับเบิก็ฮัดอยู่เียเงี้ยแ่ยนน้ำเน่วกันทะลุงพลังวนดีวนวายแค่วางหน้าตากัลูกหลีวหรือก้อนหัดอยูอ่บนบะ ม, มีเี่ยความเสียสละความบะมีความบอบติ่มความว่างความปล่อยที่นี่แหละมันเป็นมรดกของจิตใจเนามรดกของจิตใจวันนั้นเอาเงี้ยมา ถ้เอาให้มา ก, มากๆกันได้บางแข้งหิวทงบกพรองที่แทบบวมเนีมาดูเสียมากูคนบวมเนืน้อดูร้อนนี่หันละหลูกก็ น, นี่ัวกันีหลานกั น, นี่จับกันนี่ให้ก็ น, นี่หน้าก็นนี่เทว่าจิตใจก็มาสิบๆบเนือเนือตัือบอกเป็นเ น, นื้อเดี๋ยวที่ล ะ, ละบเนเตอรอเาปวดให้ที่ตุดในท่ากันหัดเนีย ยายเสืเอาเองไหนดีเปนนันนันลกที่โลกเราก็แล้วไม่ล้านได้ไเนาะที่ล้านเราก็ม่เล่นต่อไปถ้าไปคิดเรื่องสันบโภคปกติที่ทวิตใจเาบอกนีโอกาสที่ตกติดใ น, นา้จะไม่รวยค่อยากคว่ีอยายายเห็ดนงคว่อากเห็ดำนาดีไปทางา น, านันทากรรมไปยายควอยากออกมาออกตรม จิตใจเราเป็นตัวเจือชื้นละถ้าหากว่มีความอยากเช่ดอไหน่อโอ้มันมั่นนิดมั่นเนินท่านพถิ่นเปืี่ยนพลังงานพล ง, งานบมดหมดบมดจิตจิตใจของบ่มีค่องมีตัวแข็งง้นมีแต่ความอึเล ย, ยล้านอีูสมอเด้มู้นี่เป็นจรรยาบรรณข้องวิตอยู่กับโลกกับล้านเลยกับต่อรัว เป็นคารวะตุขฟ้องเลื่อนต้องมีธรรมากกว่าระจวัตเ้ขาภาษาพระจิวัตจีเนี่ยเจี๊ยกองถึงวท่านจะเอาขมาให้กาโหลดมาะ่อถโยกเนบะทวารตองขมาจินมองรับพิษรับถอดตองมีถ้ำกูเฮ้ยเห็ดอะไรหรอว่าเป็พระเห็นเหมพอถึงมาสอนม่อใกวมนจะเห็ดไดบ่เอ้แต่ท่านเห็ไก่จสับโลกเปนไงทัานเจนกับท่านอนทีเจก่า ้มด ก, เก็กเจงกมพนเจีง้มปลอยกล่างก้นหยุดก้เดินหลายมากมายอัดอัดทังเล่นะไรอย่างเงี้งอาา <c oughs> ่องอกป่เราควมิงเลย่ามันพอมันเราเรียนๆได้เะเป็นจริง้าบอัดเป็นบ่ได้ไ่มีคาเนี่ที่องนบอมึ่าผู้จะเกิดมาถูกจิ พาของเฮาคิอนีฟ้องบางฟ้อมร้ยฟ้อยอดฟ้อเย็นกระนุกบึงโลกเห็นโลกยางเย็ น, น, ก น, กนกยเก็บไม่เดินจริงที่ส ม, มุดจริงบรรยัติหน้ากัะโหลกอันไดเป็นส ม, มุิอันไดเป็นบรร ญ, ญัติอันใดเป็นประมรทาทห้าโหลก <c oughs> เป็นผู้ที่ยวองอาจผู้เป็นผู้เจ้ากลาสามารถอยู่ในหน้อโลกได้ เบื้องเโอกาสสอนก็สอนแน่สอนหลบสอนล้านแน่ตอนหมตอนนิดไปตามนาทีของห้องต่อยกันไปแต่ละนี่กัขอสู้ตั้งนอตแต่มาต่อควรตื่นตั้งทุกวันทุกวันวกินข้าวกินทุกวันการกินข้าวตปนอาหารของ า, าย ก า, า, า, ารตามท็นานต้องคิดใจถึงคิตใจจะได้ลดพฤตกรรมก็ต้องสติอย่าทำตามความคิดอย่าทาตามสังขารแข่งแยงการใช่ใจใช่ใจพยายามทาต า, า, า, า, ามาาสติ หัดสืบผลตนเองให้มีสติหัดตอบกู้หัดเลลักหัลำนการใชชีวิตของเราทำอะไรจะต้อได้ิได้ทำงานมีสติมีความรู้สึกเล้หัดัหัดนอนหัดหัดหัดคิดหัดเคื่อนไว้ไปมา ทำอะไรก็ตามมีอำนาจติดถักอย่างที่ตัวติดถัดจริงๆไม่เท่าไรจะทำกันเล่นๆชีวิตของเราก็ผ่านมาบางทีก็เด็กคนหลังลงยงมิดิดติดๆูเพราะเราไม่เคยติดถัดอันที่จะติดมากเราตาดถูก้วยกรรมใจเห็นเรามว่า ติดข้อมูลเก่ยวับเราเองเราเน่ยวันหนึ่งวันนี้เราอยู่ในความเลอะตัวหรว่าอยู่ในลงการที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเรายปพวิตไปพราะลงหรือเพราะความเลอะการไปการมาการกการจิตการตัวใจการเสื่อมหลายการไรทั้งหมดเนี่ยวันนี แมตการรับการนอนการตื่นการลิกการตื่นเป็นอย่างไรมันจะมีพ่อระเบียบนะเป็นระเบียบการนอนสติสัารนอนสติสัปานยืนการนั่งการโบนสติสับปานหกปันขันในสติสัปปารดูจ้ากสัยนะให้สุขสันต์จริง แต่ทำแบบรุ่มรุ่นบนดอนเหกเราจะเรียนอย่ือสกัสชัโมงเรียนก็นเรียนแต่การทำงานก็ทางทำกันทำไร่ทำนาสร้างบ้านสร้างเรียนก็เพราะทำแต่กรรมพราะกิริยาที่ทำใอ้เพระกิริยาที่คิด ของนั้นว่ามีกาิดแต่ว่าไม่มีการกระทํา่อเติมไปไม่ด้ต้องเชื่อนประกอบต้องมีแนวร่วมการคิดทางนร่วมต้องเป็นสฏิปิอันนี้ไม่ใช่คิดเอาอย่างเดียวรูกเอาอย่างเดียวประกอบไปกับการแนวร่วมยางดูเรามีปติโดนอย่างไร เราก็สอนกันแล้วแต่มีสติเป็นการเดินอย่างไรเดนินจะมีสติอย่างไรต้องเป็นภาพปฏิบัติตรงใจจริงเดินสติเป็นการยกมือสร้างจังหวะดทำอย่างไรให้เป็นภาพปฏิบัติว่ายกมือแจะมีความรู้สึกเป็นการยกมือ จริงๆติักการหายใจอย่างไรแล้วก็หายใจลองดูแบนี้สติลองดูสติไปสัตวการสาทยายทำจวจมนไหวพระอย่างไร้ก็ให้มีสติไสัตวการสาธยายทำจวจมนไหวพระทำาห้มันเต็มจริงๆไปจดพูด โมกกับมิ้ง <c> ก <oughs> ็ลองหัดมีสติอปกู้ไปอย่างมี้สติอย่ น, นี้ถ้ามันลงก็เอาเป็นบทเรียนเจ๊ถ้าหลงแล้วไม่เก้เลนะถ้าจิตแล้วไม่เจ้เลยนะถ้าทุกข์แล้วไม่แก้เล่นะถ้าโสดแล้วไม่เก้เนะให้ความกรธเป็นอี่นให้คนทุกข์เป็นอิม่มังจายืงที่ตรงกัดเป็นอี่ เลียงที่มันเกาะตัดดูดเลือดเป็นอี้นม่ไม่ไม่ปูกอาจะต้องต้องกันต้องแก้ต้องคองตัวเองรื้ว่ต้องกินข้าวใครนอาใเราก็ต้องไปถาย้อยู่ได้สิงนี้ยูได้สัาแก้ถ้าวันเทา้ามีสติใส่ใจ อนที่เร่อยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าพูดอย่างหนึ่งก็ว่าล้มหลวมี่จริงมันไ ม, ม, ม, ม่หลวมนะถ้าเราสอนให้หนึสติคนมีสติจะไม่หลวมไม่ใช่บด บ, บังคับไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่ <c oughs> ในห้องเรียนนะครับด้อยตัวเมีสติต้องเป็นศลลา <c oughs> ต้องอยู่ใต้จุดลรา เรจะเดินจงกลมร่วมกันเป็นแถวเดินหลอกสาลาภาคสาทิพ ต, ต่องนั่งยกนิ้ข้างจังห่ะร่วมกันถ้านอาจจะได้แต่รูปแบบแต่สติก็อาจจะไม่ได้เรเราไม่อยากให้มีภาพแบนั้นถ้ามีสติเป็นอิสระแล้วมันจะชัด การที่รู้สติเคร่องคตัวเองอยู่คนเดียวใด่ไม้มเน้าเนี่ยมันจะชัดแลากพอมันต่อฉันอีกหลักอีกสิดแล้ก็กลมกล่อสืบผลตนเองอยู่ันมันนั่งยกมือส้างจัวะาร่มกันเดินกลมกลมจนแทวนัองก็ดีแต่ว่าชีวิตจริงๆงมันไม่เป็นอย่างนี้เป็นแล้วนั่งหลับตา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 อาจจะไม่ได้นั่งอยู่อยู่กับอวิโยนั่งอยู่ในรูปแบบเสมอไปเราหัดเก็บตกอดจตะเกียตานชีวิตของเรามีอะไรบ้างมันคุดมันจะิดฟูดมันจะทดมมันจะใดไปไหนมาไหน ถเามอนเต็มตามธรรมชาติไอ้ใจศูนย์ธรรมชาติเดี๋ยว น, นี่พวกเราพอจะปฏิบัติไันั่งมีลูกศูวแบกบแล้วก็เดินตรงกลมกับไปกับมาถ้านอกจากนั้นในช่วงเราปฏิบัติมันไม่เปี่ยนคอไม่เปี่ยนคอต้องทุกทุกแบบจัง การที่เป็นชีวิตธรรมดาๆเนี่ยแหละการปวจสรายการเดินไปเดินมาอาบน้ำเข้าห้องน้ำอ่านคิดการนึกการได้เห็นการได้ยินการได้สัมผัสการติดลึกๆนี่แล้วให้มีส่ติส่วนเออบทที่มันไม่ยึดมือสร้างจังหวะบทที่มันเดินตรงกลมร่วมกันเนี่ยมันเป็น ตัวแบบเป็นข่งางสงใจไมใชสาคนโัวแับสาคนจริงๆอาจจะอยู่บนรดเมล์ จ, จะทำงานอาจจะต้องแกอไขปัญหาอะไรต่างๆอาจจะอยู่ในสนามลกอาจจะอยู่ในหน้าที่อะไรต่างๆสอนให้ในธรรมะไปอยู่กับหน้าที่ไปอยู่กับ าการใช้ชีวิตประจำวันจนกจะทั่งไป้จะอยู่กับการเก็บไปทำยังไงแม้มจเจิดไปอยู่กับความแก่ความตา ย, ตยา ไ, ไปทำยังไอยู่กับการเดินทางไปไหนมานเกิดด่ายเกิดเสียอะไรขึ้นมาทำยังไง่มันคล่องมันคล่องตัว ในการไปอยู่การอ่านหนังือทำยังไงไปอยู่กับการของน้ํเอาของตู้มของน้ําำนังไงนี่เปนการอยู่กับการนอนทำยังไงมันกลิ่นละสระเท่านั้นแหละนอนยังจะมีกลิ่นละสะไม่ต้องยเรื่องยื่งยื่งยี่งยากไม่ต้องตุ้งตานไม่ต้อ ฝันล้ายไม่ได้กงเต็นเป็นฟัรกลางลัเป็นเป ล, ะเลอะไรจป็นแป้งศึกษาเกันจริงๆอย่าไปคิดว่าพวกเราอยู่ตามเงื่อนเลยจะทำอะไรก็ได้แต่ ส, แตสุดทยตัวนั้นจะถูแต่ว่าถ้าปฏิบัติจริงๆก็เปิดจากศรัทธาเปิดจากสันทัความพอใจ ถ้าไม่เกิดจากกัปธาเง่ร่างกายกำหนดสัปธาทำอะไรมันก็ให้ให้เกิดไปเลยไม่เกิดไปเลยต้องมีกัปธาในสัมภาในวิริยะในสติในสมาธิถ้ามัมีปัญญาจะไม่เกิดจอยู่นตัว มีสติอยูในตัวมีสมาธิอยู่ในตัวมีความเพียรอยู่ในตัวนาทีเรานั่งยกมือามการจงวัมีกติมีความเพียรอยู่ในนั้นมีคือยา มันสำคัญเลย น, นะร้อมมันเป็นทรมันเป็นปัญยาหนะึ่งทำมันในตัวแบบอยู่ในถึงวะลอมที่ดีมันก็เกิดผลถ้ามันไม่ถึงระลอมไม่ดีมันก็ไม่มีเกิดผลได้ยาก เป็นผลประโยชนการปฏิบัตริรางก็ขอให้ถือว่าเป็นความพอใจเป็นความสนุกเป็นหน้าที่เป็นจิตของเราที่ใส่ใจกันพอสมาเท่าควรถ้ามีสติจริงๆริงสิ ก, ก ต, ตามกับการใช้จิตอะไรจริงๆรถ้าหลังพ่อว่าผมว่านี่ คนนี้ในผนมนีะเท่าะหน้าจริงๆเหมือ น, นกับเรากินข้าวทานข้าแหลังจาเรากินข้าวที่แล้วมันก็มีประโยชน์ล้วก็ทำให้อิม่มล้วก็ทำให้กำเทาความหนวเวทนาเก่าหมดไปคนมีสติสตมันจะไปเยี่ยวยา คนมีสติเหมือ น, นกับว่ามันไปไปทิเล่ไลทุกไลความหลงความหลงก็หางออกไปความทุกก็หางออกไปถ้ามีสติเลยนว่ามัน ไ, ไ, ไ, นไปไปเอานออกไปเปัญญาเปยาน เกิเป็นสิ่งเป็นผลของสติเป็นสิ่งเป็นสมาธิเปนปัญญาเป็นญาณรู้เป็นไถ้าอยากรู้มันก็รูเลยรู้เห็นจริงขึ้นมาถ้านีสติจะใส่ตามแบบของสติผลของสติเป็นเป็นกรคำแล้วก็เป็นผลมเป็นมรรคแล้วก็เป็นผล ทำอะไรก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นกฎของธรรมชาติเป็นกดตายตัวทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นมากเป็นผลก็ทําอะไรก็ตจะเป็นลูกจะทำก็ดีจะเป็นนามาทำก็ดีแต่เป็นลูกมาทำที่เราขวดบ้านแม่เราขวดแม่ไม่แม่ขวบแม่เราขวดใส่ ก็ธระมาณหมืนก็เเลี่ยงแล้วจะอาบพออาบน้านกัาสำหรับกิน้โคกแ้กินข้าวมัอนทั้งี้จบอิ่มแ้ก็ีประโยชน์กินสติเป็นสมองให้ใจใจมั่นใจว่าเพื่อการกระทำเพื่อทาเพือการกัะทำนอนใจเชื่ออะไร เรามีอาชีพอนไร น, นอนใจเชื่อกอ ะ, ะทำลงไปจริงๆมีการกลนสวายมีการแสียงหาจริงๆถ้าจะกลัวกบบสติมนกันไม่ก็ัติเหมือนกับใบมีสวตอร์สติเหมืนกัใบมีดแทเตอร์สติเหมันกับเน็ตโตที่มันขุดจินมัน ทำงานหรือวันี้ของรถแท็กเตอรเวลามันเจดไปจะเลี่ยงไปเรืยๆ ม, มันนำไปให้มันนำไปแล้ว็ไม่สุ ข, ขทำให้สร้างความเลียงเกิดเป็นถนนแห่งทางเกิดเป็นความเลียงไม่สุ ข, ข สังเกตดูดีๆเราจะเห็ น, นอะไรนส่งถ้าทำแบบไม่เรื่อ่ที่ก็ไม่ดีนะต้องสังเกตรม่จัดสังเกตไม่ จ, ๆๆจัดลำนำไม่จัดจัดสันติดตามการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ทำไม่รื่องไ่ที่อะไรหรวก็เราจะเดิน ในมาไหนก็ไไนต้องรจักความปลอดภัยควไม่ปลอกภัวสะดวกควไม่ออสะดวปเทเดินดิด่น ด, ดันดอนอันผิดลงไปอันผูกลงไปเราไม่ไสังเกงตม่ลำในำเมื่เราจะไปตุ่งเทศต่างลนำจไปวัดสนามนหนหลังรถตรไหนขึ้นรถตงไหนไปเส้นทางไหนเมื่อจ ะ, ะพูดต่อใจก็ต้องดงพูด มันปิดกันปูไม่มีเหตุมีการบ้านมีการถามมีกันหาก็ต้องรู้จัแก้รี้จับอกรี้จักขี่รู้จักขี้รูจักนำอะไรใช้ชีวิตในโลกในพื้นโลกในธรรมชาติต่งหรือแม้ว่าเราอยู่วัดโมกเราก็ต้องรู้จักเวลาตีรักทางอืมเนราทรวัด ตอนนี้เวลาสีตะคังเวลานี่ที่ทำแล้วเราจะใช้จิตแบบทีบ่ทำเวลาสีตะคังเวลานี่เสียแล้วเราจะใช้เตรียมพอ่อริมธรรมบัตรเวลาสีตะคังเวลานี่เสียแล้เวเราจะเวลาเตรียมพ่อพูมาสุกขันมาให้พ่อมาให้ไหวอย่าลัางเลรอ ไปขับไปเสงอ่ะเพรอะไรเพราะ <c oughs> เราลำนำเราลำนำเราก็จินตน่เวลาดูในจิตแม้แต่เรารำนำเรื่องระเบียบยึนในก็เป็นประโยชน์ยึนในระเบียบยึ่ในเพื่อกลมให้เรา ก็ตัวเัวเองสินะอาจารยนัอ น, นเนรื่องสติกา ม, มีสติพยายามนำนำที่ตัวเองนำตัวเองแก้ตัวเองเรียนจนุจนุเห็นผิดจนุเห็นผูกจนุท่านสติจนุกแก้ไหตัวเอง ก็มันดีขึ้นมันเาาปเลี่ยนเป็สภาพเดิมมาอันี้ทำใหเใจนั้นมี่เทวาทำกายโอกโยน์ไล่ตาใจอะไรต่างๆาทำตั้งแต่จินยาแต่ใจไม่มีไม่อยู่เป็นที่เป็นทางไม่มีสติไม่รู้จักจัดสรรยังไปกุยกระจายอยู่ ตอนเรามันจะใช้ได้นี่ต้องมีไม่ใช่ไม่ใช่กะตือกระใจต้องมีระเบียบสังฆลาเรานั่งอยู่เนี่ยที่ทนไปใช้ได้ต้ามีระเบียบมีประตูมีที่ไว้มีทผู้ลานเช่นจัดอาหารก็ต้องมีระเบียบมีข้าวมีช้อนมีชานมีอาหารมีผักมีพลไม้จะจะทำจากพลไม้เอาที่ไหน เข า, า, เาเ Arduino, e จะเอาผักอะไรหนึ่งเขาจะเอาน้ำทึ้งอะไาตรงหนึ่งอ้รองเขาวางาอย่างนี้ระเบียบจหัรได้ึ้นไหจะเอาแก้วจะเอาน้าได้ที่ไหนจะกระดาษได้ที่ไหนมัก็มีระเบียบในตัวอะไรท่ันมันมีที่มีที่ผิดมีที่ปูกมีที่รัฐผูกที่ทำให้รูมีรัฐผูกที่ทาให้รู้ มีการเวลาที่ทําเให้เราทำใช่อหมให้เวลาที่เราใช้เราไม่ใช่แตีมีในตัวเรามีทุกมีติดมีผูกมีที่แก่มีที่ไถมีที่ปล่อยมีที่วางมีที่ยึดมีที่ถือมีที่หลงมีที่ไม่หลงเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเอง จะไปเรียนรู้อย่างอื่นก่อนใครทำไมต้มาเรียนรู้เรื่องตนหรอไม่ใว่าเรามาปวดไม่อยู่วัดนี่ยคือมาเรียนรู้เรื่องันเองไอมันจบปนะคนทุกข์คนมีทุกข์คือคนเรียนไมือตกคนมีความโกรธคือคนเรียนไมือตกคนเจ้าโศกีทตกกังวลคือคนเรียนไมือตกเพราะมีการบ้านมีการหักใจไร้ใจเป็นภาพ เป็นธาตของการหลเป็นภาตุของกามหลงเป็นภาตุของการปุ๊บถ้าไม่เป็นภาตุนี้จะราังสร่คให้เราเกิดไม่ได้มันจะมาสังข์ให้เราเกิดไม่ได้เป็นธาตุแต่เป็ น, น, ปนที่ธาตุนีน่จะมันจะปัดไส่เลยสิสบางทเป็นบังคับม็นกินไม่ได้ป็นนอนไม่ได้เฮ้ ย, เ ร, ย, รยเราจะทำมาทางไหนบางคนอาจจะมาเกิดเกิด้าเราจะสังเกตไหม ดีเต่นั้นเติร์นเ่นั้นเติร์นเท่นั้นอย่างนี้ดิเศษตันเ่นั้นอย่างนี้ดีาจะปล่อยทิ้งไปได้หน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของเราโดยตรงอย่าให้พลาดจะให้เสียโอกสาสเนี้ยจะไม่มีอะไรเสียาชาติที่เกิดมา ทั้งทงี่กปนโมดกอันลำพ่าอยู่พัปดาหหน้าของเราแรกแล้วก็มีสิ่งร้อนรอนที่ดีสำหรับรเราแล้วญาติาโจมบ้านใกล้ติดติดเตียงก็มีสมสโมกมีเพื่อนมีกัญญาณุมิตรเต้าปูช่วยเหนืยวอะ้รก็อยู่แบบนี้ จะอะไรอีกไม่มีใครกล้าเล่าไม่มีใครดูไลนมีแต่ให้ความยุ่งแย่แจ้งใจที่นำความวุ่นวายไปโยกเยจับตาวดเป็นลักเขโมยหนึ่งชอบอย่งนั้ไปพ่นไปจีไปดูไปด่าไปโกงไปนั่งไปโกงกันน่งชอบอย่นั้นก็คิดหายบ้านหนึ่งราบ้านหนึ่งก็จิเราก็คิดหที่ของเราไม่ัวันัน ร่วนกันดีๆเกี่ยมให้มีสติเกี่ยนให้มีฟุกเกี่ยมให้มโกรธเกี่อนให้มีความสุขเกี่ยมให้มีความสงบจะเอาอะไรขอรงเราก็าต้องพวกของเร า, นะเ า, านนแล้วเป็นคนไทยมีชาติศาสตน์ขเราวัฒนธรรมขอาหลาทำเนียรให้เราได้ตอนเป็นเที่ ผมว่าผมเป็นคนไทยผมก็ mm. โชคดีผมก็เคยไปต่างประเทศหลายประเทศจะให้หเหมือนเมืองไทยเราเนี่ยมันไม่มีเลยแต่วัฐบาลาเนี่ยมันไมเหมือนบ้านเราญาเติโยมนิสัยใจพอสิ่งเร้นหน้ามันก็ไม่เหมือ น, มน เ, นอเมือง ไ, ไท ย, ยมันเป็นเมืองที่จะมีพระอริยเจ้ามากที่สุดเมืองดูดไม่ใช่ไม่ใช่มีก็ดูตาม เมื่อทำตามลูกแบบสี่งแวดล้อมเนี่ยเื่ออนไรให้เราที่สุดขอให้เราได้พอใจโชคดีที่เกิดคนไทยสิ่งแวดล้อมของเราง่ายดาดีก็อย่าไปหวัอนนองอะไรให้มากแต่ก็คิดอะไรให้มากมันจะากฏแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราได้ดอราสบคามส เรืองพนธุมีก็ามเรื่องลูกเรื่องหลานเป็บ้านเป็นเมืองอะไรๆก็มีแต่ก่อนเราเมื่อไรมีแต่ตัวเล็กๆเศษๆแต่เรื่องมีลูกมีสามีมีคุญาติมีบ้านมีเข้งมีไร่มีนามีลูกมีน้ำมีเงินมี้องบางทีก็มีมากๆแตพอไหถ้าจะมาเกินตัวอะไรันวอกห้องอยู่ มถ้าเราจะเอาก็ถูกอะไรมาตัดเน็จิตใจ ต, ตามถูกล่อตามสมุดตัดเน็ตมันไม่รู้จะป่ยไม่รู้จะป่อยไม่รู้จะวางเส้สเนใเองมาจะให้คล่องอยู่เป็นนิดอ่า ง, <c oughs> ถางนะีถ้าให้มันถูกนะที่จิตถ้ามนถูกมันก็มีปัญหาตลอดไป ก็เคยถึกันแ ต, ต่เออแต่ใคิดเป็นลักเกิดคามเป็นธรรมความยุติธรรมเป็นมิตรภาพเป็นผู น, นำดอนเป็นมาตรฐานคือสังข์แต่ฉะนั้นวันหนึงหน่งวันนึ่นลำดับลำนำดีๆเอาสตินี่แหละถัามีสติแต่ทำไรไม่มีสติไม่ออกจะหยิบของไม่มีสติไม่ออก มันนังน่งอย่างนี้มันจะติดใจไปน่นเลยมันจะอาไปทำไมมั น, จ ะ, มนจะไปยังไงตองนเงินพ่วงเงินมันจะคิดอะไรไปทักเคื่องไมันจะไปไหนทักเครื่ยมันจะเละ่นยิงกันทักเครื่องมันจะพูด ก, ออกนันทักเครื่องเอาจริงๆลอดูนะแต่เอาแค่นั้นไม่ใช่ครอกไม่ใช่จุดหรอกมั่มันใจลอย พอทำอะไรก็ทำายนั่งอยู่ดีๆนี่ไม่ไปกีดดินเล่นนะไม่ไม่ล่นมันอะไรลสอนตัวเองดูลองนาตัวเองดูทกัดจริงๆลองดูโอ้มันสอนได้สมมติปรเกิดประเกิดสดกมันดีมันประเกิดเวลาได้เป็นเนื้อ แกเวลาเราควรหลงแกเวลาเราควรคิดตั้งเลี้ยงใจแกใช้ตัวเองอยู่อะไเนี่ยๆก็่